ลาบวชจกวงคามาศึาากษาธรรมะทางด้านปฏิบัติก็ได้ชี้แจงให้ฟังทางทางด้านปฏิบัติอันเป็นหลักศาสนาแท้นั้นคนยังไม่ค่อยเข้าใจไม่เข้าใจก็เป็นส่วนมากหรือว่ามากมายก็ไม่ผิดจะเข้าใจศา ส, สนาเพียงผิวเผินเท่านั้น พิธีรีตรองต่างๆนั้นมากจนจะเข้าเดินไปไม่ได้โดนแต่พิธีรีตรองต่างๆซึ่งอาศัยหลักศาสนาเป็นที่ตัง้งนอกนั้นก็เป็นกภีเป็นเปลือกอะไรไปทั้งหมดทีนี้คุณุะบุจุดท้ายภายหลังมามองเห็นเข้าในเรื่องพิีรีตรองนี่ก็เลยถือนี้เป็น ของกินจังขึ้นมาพิธีตอง น, นี่แหละที่เป็นเครื่องกั้นความกินของศาสนาไว้ไม่น้อยเหมือนกันหนาแน่นอยู่มากหรือออกกี่วันกี่ปีกี่เดือนก็ไม่คราบกว่าจะไปถึงศาสนาอันแท้จริงเพราะมีแตบบ่พิธีเป็นต้น หลกักศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสัง่งสอนแท้นั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยแต่มีแต่นื้อแท้มีตะแก่นพราะพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่ไร้าสาระไม่ใช่โภโมฆะแห่งความเป็นศาสดาเป็นศาสดาอันแท้จริงด้วยความบริสุทธิ์แท้ถ่ยไม่มีกิเลสแม้นนิดหนึ่งแตงอยู่ภายในพระไถ่นั้นเลย การแสดงออกแห่งธรรมจึงแสดงตั้งแต่เริ่มงความกิ่งรุนล้วนของธรรมข้างหลังไม่ว่าจะสอนทายกอุบาสกอกคาภิกษุสามเณรภิกษุณีใดๆก็ตามและไม่ว่าจะสอนธรรมะขั้นใดก็ตามต้องเป็นขั้นธรรมะที่มีเนื้อแท้เนื้อแท้ไปโดยลำดับตามขั้นภูมิของธรรม ล้วมแล้วตั้งแต่เป็นเนื้อแท้ตามขั้นภูมิของธรรมทางนันเรื่องพิธีต่างๆทไม่ค่อยมีเหตมาตกมาสมัยปัจจุบันนี้มันกลายเป็นศาสนาพิธีไปและพิธีนี่เลยเป็นเรื่องใหญ่โตของศาสนาผู้ปฏิบัติก็มาเข้าพิธีนี่ใช่ะหมกว่าจะเข้าถึงด้านปฏิบัติมันก็สลบสลายไปแล้วมันหมดกาลังวังชา ไปจับพิธีนี่จะแรงการให้ทานอ่าก่าจะปรงใจให้ทานได้ก็กลาวคำถวายนี่ซสุดโอ้โหยาวเหยียดเหมือนกับดันกี่เล่มหนังสือกอะระเมซราเนี่ยเสร็จแล้วสาสีลกับปะกาจนลั่นกว่าจะได้รับศีลกับผัวโถูนจนจะหมดลมว่าไง มีเหล่านี้พิธีทั้งนั้นเนี่ยภาวนาก็ยกครูยกคันขึ้นส่วนลายใหพระธรรมเข้ามาสถิตทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขึ้นทําหัวพอเสร็จพิธีนี้แล้วมันก็แยกเลยไม่มีเวลาที่จะจะทาจะบาเพ็ญ เพื่อให้ทำเกิดขึ้นตามความวบิงวบาตหรือตามพิธีนัน้นๆพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านท่านไม่ได้สอนอะไรมากมายสอนแต่เนื้อแท้เข่นสอนเป็นจัตวาคีทั้งห้า โดยที่เห็นว่าท่านเหล่านี้เป็นผู้สมบูรมาแล้วทุกอย่างรอตั้งแต่อัตธรรมเพื่อก้าวขึ้นความพ้นทุกโดยถ่ายเดียวเท่านั้นก็ยกอริยสัจขึ้นแสดงทันทีทุกขังอริยสัจจังสมุทยัยอริยสัจจังนิโรธอริยสัจจังมรรคปฏิปท า, าอริยสัจจัง ทำสี่อย่างนี้เป็นของจริงเต็มที่มีอยู่ภายในกายไรยจิตของสัตว์โลกทั่วๆไปนะคําสอนทุกเป็นสิ่งที่สัตว์โลกไม่ต้องการทั่วหน้ากันไม่มีสัตว์โลกตัวใดจะต้องการทุกแต่ทุกนี้ไม่เว้นแต่ละลายจะต้องมีอยู่ด้วยกันทุกขดทุกสัตว์แม้สัตว์ไม่ปรุงปรางทนาก็ตามแต่ทุกก็มีอยู่ ภายในกายในใจของสัตว์จนได้เป็นเพราะเหตุใดท่านค้นถึงสาถึงสาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เป็นเพราะความคิดความปรุงของจิตอันเป็นตนทางที่ผิดซึ่งจะผลิดสิ่งที่ไม่ถึงปรารถนาคือความทุกข์นี่ให้เกิดขึ้นภายในกายใน ใ, นใจของตนได้ด้วยเหตุนี้ทุกข์จึงไม่เคยห่างเหินจากจิตใจของสัตว์โลกเลยน ท่านกล่าวว่าย่อๆนั่นที่ราคาสหากตาตตะตร ะ, ะ, ะอภิ น, นันนิเนเซอยตที่ดังการมตัญหาภาวะตัญหาวิภาวะตัญหานี่แหลเป็นตัวเหตุตัวการสำคัญที่ผิดทุกข์ขึ้นในแกศารโลกเพราะสัตว์โลกชอบสิ่งนี้มากเมื่อชอบสิ่งนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ผิดทุกข์แล้วเราจะลบหลีดผทุกข์ไปได้อย่างไร เรากลัวแต่ผลแต่เหตุเราชอบแล้วเหตุนั่นและเป็นสิ่งที่จะผิดผลนั่นนั่นขึ้นมาถ้าผููต้องการตามหลักความจริงแล้วไม่ชอบเหตุเพราไม่ชอบผลก็ต้องไม่ชอบเหตุเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ขึ้นมานั้นไม่ชอบก็ไม่ทํานะแต่เมื่อไม่ชอบผลที่เป็นทุกข์แต่ชอบก่อเหตุที่จะทําให้เกิดทุกข์ขึ้นมาอยู่แล้วทุกข์ก็เกิดขึ้นวันดังคาําเพราะเหตุเป็น เคงผิดให้เกิดอยู่เสมอด้วยการกระทําของตอนเองนี่ท่านสอนอย่างนี้อันนี้ลบไม่ศูนย์คือเป็นความจริงขนาดนั้น่ะขนาดลบไม่ศูนย์ใครจะมีอํานาจวาสนาแค่เพียงไรก็ตามจะมาลบผลของกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางกายวาจาใจนี่ให้สิ้นศูนย์ไปโดยไม่ให้มีผลเกิดขึ้นเลยอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านยังสอนหลักกรรมเป็นสําคัญหลักกรรมนั่นแหลเป็นหลักที่จะดลบันดาลอะไรๆให้เกิดขึ้นกุศลกรรมอกุศลกรรมเป็นต้นกุศลกรรมที่ทําด้วยความาเฉลียวฉลาดรู้ตามเหตุตามผลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นๆและพยายามแก้ไขดัดแปลงสิ่งที่ตนไม่ปรนินตัญหาทําแต่สิ่งที่ตนต้องการ ด้วยเหตุที่ดีนี้เท่านั้นผลจะพึงเป็นไปในทํานองเดียวกันนะอุศนกรรมก็ได้แก่สิ่งที่ทํานั้นทําด้วยความโง่เขลาบอปัญญาไม่ได้คิดอ่านใ่ตรองเป็นแต่ความอยากทําเป็นหัวหน้าเท่านั้นเมื่อทําลงแล้วไม่คํานึงถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นผลที่ไปพึงปรารถนาจึงเกิดขึ้นเพราะความโง่ของความโง่เขลาของตนเอง เราจะประตำหนิติเตียนผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้ว่าสิ่งนั้นอันนั้นมาให้ร้ายให้กรรมแก่เราเนี้นั้นก็ตำหนิไม่ได้เพราะตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นมาตัวเองหลักแก่สิ่งเหล่านี้ท่า น, นว่ามรรคปฏิปทาคือการประพื่อปฏิบัติแก้ขไขดัดแปลงตนเองให้เป็นไปในทางที่ถูกที่ควรในโรธคือความดับทุกข์ที่เราไม่พึงปรารถนาก็าดับไปเป็นลำดับนั่นหละนี้ท่านสอนเบญจวคีทั้งห้า แต่ท่านสอนเลือกซื้งเข้าไปโดยลาดับท่านนั่นนั้นก็ได้บรรลุธรรมเนี่ยหลักของศาสนาแท้ไม่ได้มีพิธีรีตองอะไรมากมายกายกองเลยเราทั้งหลายก็เป็นลูกจิตของพระพุทธเจ้าแม้จะได้มาเด็เคยพบเห็นพระองค์ท่านก็ตาม พระพุทธเจ้าก็คือพระพุทธเจ้าพูดจำสอนสัตว์ให้ถูกต้องโดยอัตธรรมและเป็นผู้ยังสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ด้วยพระโอวาสอยู่โดยดีทั้งๆที่ยังทรงพ ร, ระชนอยู่และปริลัพธ์แต่แล้วจะไม่ใช่พระพุทธเจ้าองค์ใดคือพระพุทธเจ้าองค์ที่หรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ความท ร, รมานทั้งหลายด้วยพระโอวาสที่ชอบธรรมนั่นแหละเราทั้งหลายเมื่อได้กราบไหวบูชาถึงพระองค์ และปฏิบัติบําเพ็ญตามหลักธรรมที่พระองค์ท่านสอนมาแล้วจึงเป็นเหมือนกับตามสเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ทุกระยะจะอยู่ไกลอยู่ใกล้ไม่สําคัญสำคัญที่กา ร, รปฏบิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสั่งสอนไว้ตามกําลังความสามารถของตนก็ชื่อว่าเป็นผู้ตามสเสด็จพระองค์ท่านคําว่าธรรม เมือ่อนไ้กระต้อธิบายบ้างแล้วท ร, รมันแท้จริงนั้นจะสัมผัสได้ด้วยจิตเท่านั้นมันมีทางอื่นใดที่จะสัมผัสได้การจะสัมผัสได้ด้วยจิตก็คือการปฏิบัติที่จะปรากฏชาติในธรรมว่าธรรมนี้เป็นธรรมชาติประเสริฐเลิดโลกแค่ไหนก็สัมผัสได้ที่จิตทรรมในคำพูดทำรรในตัวหนังสือ อันนั้นเป็นกิริยาอันหนึ่งเป็นชื่อของธรรมเป็นอาการของธรรมไม่ใช่ธรรมแท้ดังที่อธิบายไว้แล้วธรรมแท้จะพุงสัมผัสที่จิตรับรู้ที่จิตจิตเป็นภาชนะสําคัญที่จะรับธรรมได้อย่างเดียวเท่านั้นคือมีจิตอ ย, อย่างเดียวเท่านั้นที่จะสามารถเป็นภาชนะแห่งธรรมทั้งหลายได้นอกนั้นไม่มี มีจิตดวงเดียวเท่านั้นที่ควรแก่ทาทั้งหลายคำว่าทมฟังแล้วก็นิ่มนวลซาบซึง้งอ่อนโยนแต่จะตีความหมายมาแบบโลกโกที่ตีความหมายกันในแง่ต่างๆตามนิสัยของโลกนั้นธรรมะนี้จะตีออกไปไม่ได้แต่เมื่อสัมผัสจิต มากน้อยเพียงไรนั้นนะ่ะจะทราบชาตภาณใจิตมีความทราบซึ้งภาณใจิตหรือว่านิ่มนวลอ่อนหวานก็ปรากฏอยู่ที่จิตนะคาสงสาวกท่านได้มหาสมบัตินี่แหละจากพระพุทธเจ้าจึงได้ชื่อว่าถ้าสงสาวกสาวกแปลว่าผู้ฝั่ง คือได้ยินได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วจึงได้มาว่าพุทธปฏิบัติตามแนวทางที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นจึงได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆขึ้นมาจนกระทั่งถึงอรหานตภูมิเป็นวิสุท ธ, ธิบุคคลขึ้นมาในโลกเวลานี้คำว่าวิสุท ธ, ธิบุคคลหรือคำว่าอารหันตลหันนี้แม้เราจะเป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาก็ตามกระหนึ่งว่าสุดเอื้อมแค่แล้ว สุดความสามารถสุดวิไัยที่จะรู้จะเห็นได้ผู้ใดมากล่าวถึงเรื่องมรรคผลนิพพานเหมือนกับผลนั้นเป็นบ้าเหมือนไม่ได้สติเพราะความเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานนั้นสุดเอื้อมไปแล้วทุกวั น, นเราอยู่ด้วยความเป็นโมฆะด้วยการทุกคนสุดเอื้อมที่สุดวิสัยที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นภายในตนเองเหมือนครั้งพุทธากาลเพราะฉะนั้นเวลาได้ยินคาพูด ผู้ใดก็ตามมาพูดขึ้นที่เรื่องมรรคผลนิพพานหรือผู้นั้นได้บรรลุธรรมขณนั้นขณะนี้จึงเป็นเหมือนเราผู้บรรที่ที่ว่าผู้บรรลุนั้น่ะหรือผู้รู้เห็นธรรมนั้นะเป็นคนบ้าแล้วผู้มาเล่าก็เหมือนกับคนเป็นบ้าคนที่สองนี่เวลานี้เป็นอย่างนั้นแล้วทําไมทําเป็นธรรมบาปเป็นบาปบุญเป็นบุญสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์เห็นประจักษ์ใจอยู่ด้วยกันทุกคนทั้งกายทั้งใจที่สัมผัสถูกต้องอยู่ตลอดเวลา มีอยู่กับตัวทุกคนจึงปฏิเสธถึงเรื่องมรรคผนิพพานได้ลงคอเป็นเพราะเหตุไรทุกก็มีอยู่ตามหลักธรรมเรื่อนสอนไว้ว่าทุกคือความทรมานทั้งทางกายและทางใจอันเป็นสิ่งจักโลกไม่บริบูรณนาเราได้เคยสัมผัสอยู่ไม่ใช่หรอือเรื่องทุกเนี่ยสัมผัสทางใจสัมผัสทางกายสัมผัสตลอดเวลา ผิดแล้วหลือกับธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าทุกข์ไม่เป็นสิ่งที่ศัตรูปัถนาณาซุขจะเกิดขึ้นทางกายทางใจเราก็ทราบด้วยกันทุกคนสัมผัสช้ ำ, สำพันอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งสุขทั้งทุกข์ที่มีอยู่ภานในกายในจิตของเรานี่ยก็มีอยู่นี้ท่านว่าสุขทุกข์บาปบุญสุขทุกข์มันมีอยู่กับตัวองเรามันก็เห็นชัดๆแล้วมาผลนิพพานคืออะไร ก็คือความถูกที่เกิดขึ้นจากการกกทุบปฏิบัติเป็นชั้นช้านขึ้นไปจนถึงขั้นบร ม, มสุแล้วสรุปแล้วก็คือว่าเกิดขึ้นจากการกระทําการบําเพ็ญของตอนเท่านั้นตามหลักธรรมที่บุญเจ้าทรงสอนไว้ว่ามัชชิมาปฏิปทาแล้จะสุดเอื้อมไปที่ไหนถ้าเราไม่ทำหลวงเราให้เป็นโมฆะบุรุษบุคคลสตรีไปเสียจากธรรมนั้น แล้วกระปตมีปีเตียนทำว่าไม่ให้ผลไม่เกิดผลมรรคผิพานไม่มีมรรคผิพานสิ้นไปมันสิ้นไปจริงสำหรับโมฆะบุรุษโมฆะสตีประเภทนี้แต่ผู้ไม่มีความรู้สึกเช่นนั้นกลับเป็นความรู้สึกตรงกันข้ามแล้วผู้นั้นเป็นผู้ทรงคุณค่าและเป็นผู้จะทรงคูณค่าแห่งธรรมดังกล่าวนี้พระพุทธเจ้าสอนศาสนาสอนด้วยความด้นเดาเมื่อไหร่ สอนตามความสัตย์ความจริงสอนอย่างอาจหารต่อความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วเพื่อสัตว์โลกทั้งหลายจะได้ประพฤติปฏิบัติถ้าได้เห็นความจริงนั้นประจักษ์ใจของตนทุกคนตามกำลังความสามารถที่ตนประพฤติปฏิบัติได้ตลอดไปไม่ได้ว่ามรรคผลนิพพานจะสิ้นในวันนั้นจะสิ้นในวันนี้แม้ใครจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขนาดไหนก็ตาม ทางที่จะให้เป็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้นี้เป็นอันไม่มีเพราะมรรคผลนิพพานสิ้นสุดไปแล้วเหลือแต่ข้อปฏิบัติเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อันนี้ไม่มีในหลักธรรมเราจะเห็นได้นังฆาอานนทูิถามท่านว่าเมื่อพระองค์ปริิพันนานปรนิพานต์ไปแล้วนานเท่าไรมรรคผลนิพพานถึงจะสิ้นสูดไปอานนท์ อ, นนอยาถามอย่างนั้นคือมันเหมือนกับโมคาบุรุษ่ะตฟัง ทำเราที่สอนไว้ทุกบททุบาทสอนไว้เพื่อมะผลนิพพานมันจะสิ้นไปไหนเมื่อมีผู้ปฏิบัติอยู่นะขอให้เป็นผู้ปฏิบัติทำทุกควรจะทําที่เราสถาคตั้งสอนไว้แล้วนี้เถอะพระทหารจะไม่สิ้นจากโลกเลยอ น, นุนะั่งจำอยู่นี้เป็นเครื่องยืนยันเรื่องมะผลนิพพานไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมายืนยันมะผลนิพพานได้นอกจากการทุบปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งต่อขาธรรมนี้เท่านั้นนี่เป็นข้อยืนยัน เป็นเครื่องรับหรอกมคผลุาพานจะเกิดได้หรือไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้เกิดยุอยู่ที่การเวลามเวลาสถานที่ที่นั่นดินไม่ได้เกิดอยู่กับอำนาจวาสนาแต่เกิดขึ้นจากการกระทำที่ถูกต้องาำหลักธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วเพื่อมผลุธานได้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นไม่มีอันใดที่จะเป็นค่าสิดต่อมะผลุาพานได้นอกจากความที่เกีย่ยความไม่สนใจ นอกจากการพื้นปฏิบัติผิดไปจากแนวทางที่เป็นไปเพื่อพระพุทธิพานอันนั้นเป็นไปได้แม้พระพุทธเจ้ายัางทรงกระชอนอยู่ผู้ที่พลาดมรรคผลนิพพานมีจำนวนไม่น้อยเหมือนกันผู้ที่เป็นโมฆะบุรุษโมฆะตตรีมีมากในครั้งพุทธกาลอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็รับสั่งไว้เหมือนกันการอนอกผลนิพพานที่จะสิ้นสุดไปในลายของบุคคลคนนั้นไม่ต้องพูดว่าการใดสมยดัยใดละอันหนึ่แม้ในสมัยประสาทก็ยังมีอยู่นี้ ผู้ที่เป็นโมฆะเกี่ยวกับเรื่องมาผลนิพพานนี้มีจำนวนไม่น้อยเลยเพราะเขาตั้งตัวของเขาเป็นโมฆะอยู่แล้วและธรรมจะอย่างถึงผู้นั้นได้อย่างไงเมื่อผู้นั้นไม่เอื้อมถึงธรรมด้วยการปฏิบัติด้วยความใฝ่ใจอย่าไปพูดถึงเรื่องการนั้นสมัยนี้เลยอนกเสียเวลาท่านว่าอะไรที่ท่านว่าห้าพันท่าพันาหรือห้าพันปี ศาสนาจะสิ้นสุดไปนั้นด้วยพระยานของพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบตามเรื่องของสัตว์โลกว่าจะมีความสามารถมีความสนใจในอักนธรรมในบุญในกุศล้นมรรคนิพพานเนี่ยไปได้เพียงแค่แค่นั้นเนี่ยกำลังของสัตว์โลก แล้วก็ น, น้อยเต็มทีต่อจากนั้นไ ป, ไปคำว่าศาสนาคำว่าบุญว่าบาปจะไม่มีพานาใจของัตโลกนี้เลยจะกลายเป็นสัตว์ธรรมดาทั่วๆไปแน้ร่างกายจะเป็นมนุษย์เมื่อเป็นฉะนั้นศาสนาก็เป็นอันว่าเสื่อมคุ้นตราทานไปเพราะคนไม่สนใจมรกคผลนิพพาน สิ้นสุดไปสิ้นสุดไปโดยเหตุนี้เองไม่ใช่สิ้นสุดไปเพราะการทําโดยความถูกต้องอยู่แล้วแต่มรรคผลนิพพานไม่มีสิ้นสุดไปอย่างนั้นไม่ไม่ไม่เป็นไปในทำรองนั้นนะสอนว่าอย่างนี้แล้วเราทุกวันนี้ก็คือตู้มรรคผลนิพพานาอยู่ในตัวของเราเป็นไปเพียงว่าเวลานี้เรากําลังบรรจุตู้กิเลสบรรจุกิเลสไว้ มันเลยกลายเป็นตู้ีิเลสเลยะความโลภมันก็อยู่ในใจของเราความโกรธมันก็อยู่ในใจของเราความหลงความโหยโถสวกก็อยู่ในใจของเราสิ่งเหล่า น, นี้เป็นกิเลสจิตใจของเราว้านเอาสิ่งเหล่า น, นี้เข้ามาทับถมโจมตีตัวเองตลอดเวลาอันนี้จิต ด, ดวงนี้เลยกลายเป็นภาชนะของกิเลสไปเสียและมาผลนิพพานก็แทรกเข้าไปไม่ได้การที่จะให นักปฎิพานเกิดขึ้นก็ต้องชำระผัสาสงสิ่งนี้ความโลภมีมากน้อยเท่าไหรพยายามคาจัดดัดแปลงมันออกไปให้น้อยลงน้อยลงความโกรธให้น้อยลงความรูปหลงงม ง, งายความประมาดต่างๆให้มันน้อยลงด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาพิจารณาใจ่จจอมจัดตัดเต่าสิ่งที่มัวหมองสิ่งที่กระมืด ปิดบังทั้งหลายเหล่านี้ออกไปโดยลําดับลำดับความสว่างก็จางแจ้งก็ปรากฏขึ้นแทนที่แห่งความมืดนี่ที่ได้หายตัวไปโดยลําดับจนปรากฏเป็นความสว่างก็จางแจ้งรอบตัวภายในปิดมรรคผลนิพานก็ปรากฏขึ้นแทนที่นั่นอีกตรงนีก้ก็กลายเป็นภาชนะของมรรผลนิพานที่ผ้องอัดผ่องทำไปได้คําว่าเป็นตู้หรือเป็นคำภีรหรือว่าเป็นทีมสหรับ ใส่ที่สําหรับบรรจุที่เดชอาชาวะต่างๆมันก็เปลี่ยนไปได้กลายเป็นตู้พระธรรมสู่ที่ใจไม่เสียการปฏิบัติธรรมเราพร้อมแล้วเวลานี้เป็นมนุษย์ทราบได้อย่างชัดเจนทั้งตัวเองก็ทราบคนอื่นก็ทราบ ศาสนาธรรมนั้นควรแก่มนุษย์อย่างยิงย่งอ ย, งอยู่แล้วเวลานี้ไม่มีอันใดที่จะเป็นเครื่องประดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสวยงามยิ่งกว่าหรือให้มีความสุขความจเจริญยิ่งกว่าศีลกว่าธรรมการบำเพ็ญศีลธรรมด้วยการวาจาใจหรือด้วยการทําความดีทั้งหลายจึงเป็นการส่งเสริมจิตใจของเราให้มีความสง่าราศียิ้มแย้มแจ่มใสเบิก บ, บาน ไปโดยลำาดับลำหนับถือว่าเป็นผู้ไม่เสียทีเนี่ยคิตโฉมนุสสปฏิลาโภคความได้เกิดเป็นมนุษย์นี้เป็นลาภอันประเสริฐแล้วํันรับเราลาภเน่อันดับต่อไปก็คือการสร้างงานความดีทั้งหลายจากลาภอันเบื้องเป็นเบืเ้องต้นคือความเป็นมนุษย์นี้ สิ่งที่หายากมีอยู่สี่อย่างกิจโฉภุธานุโมปาโทความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้กาก็เป็นของยากความเกิดขึ้นแห่งมนุษย์ได้ความได้เกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นของยากชีวิตที่จะสืบต่อไปในวันหนึ่งวันหนึ่งจนถึงอ า, อายุขายนั่นก็เป็นของยากนี่ทั้งมัจจานชีต่างอ่าน่าไว้ ทิตฉัง ส, สาางัตมาสาวนังการจะได้ยินได้ฟังศาสนาธรรมหรือคําสอนของอาจารย์นี้ก็เป็นของยากในที่อย่างนี้มันไม่มีอะไรยากแล้วสําหรับเราพูดที่เกิดขึ้นมาในท่ามกลางแห่งความเหมาะสมเช่นนี้ความเป็นมนุษย์ก็คือเราได้ถึกษาศาสนารู้จักบัลลังกก็คือได้ฟังธรรมเทศนาจากที่ต่างๆเช่นทางวิทยกุกระจายเสียงหรืออาจตามนักขุนามาจําหนังลา อัตธรรมที่ท่านเขียนไว้ก็คือเราได้อ่านได้ฟังตลอดเวลากลายเป็นของง่ายขึ้นมาหมดสําหรับคนที่มีวาสนาแต่สําหรับผู้ที่อาภวศาสนาแล้วจะไม่ได้ยินได้ฟังในสิ่งเหล่านี้เลยเช่อนอย่างสัตวิรสานเขาทราบได้ยังไงาเขาเป็นอะไรเขาไม่มีทางทราบได้เราทราบเขาด้วยทราบเราด้วยจึงได้เปรียบจะสัตว์อยู่มากสำหรับคนมีบุตร อ น, นั้นจงพาการสร้างบุญสร้างกุศลคือคุณงามความดีไว้เป็นเครื่องประดับจิตใจร่างกายนี่มีป่าช้ามันมีอยู่เต็มตัวเข้ามันอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าลมหายใจยังมีอยู่มันก็ไม่เป็นป่าช้าพอลมหายใจสิ้ปนปัตนั้นก็เป็นป่าช้าขึ้นมาแล้วภายในตัวของเราอย่างเต็มตัวแต่จิตนั้นไม่มีป่าช้าออกจากร่างนี้ก่อร่างนั้นออกจากร่างนั้นไปร่างนี้เรื่อยอยู่งั้นตลอดเวลาตัวนี้ ถ้าอาจารย์มั่นอาจารย์สอนว่านักท่องเที่ยวในวัดต่ า, างถกฐานความเดือดรายก็คือจดวงนี้เป็นไปด้วยอำ น, นาจแห่งกรรมเพราะจึงสร้างกรรมดีให้เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจเราให้ไปสู่สถานที่ดีคติที่งามเป็นที่เหมาะสมเป็นที่พัฒนาด้วยอำ น, นาจแห่งบุญไม่เท่าไหนโอ้อยังพร ะ, ะดังแล้วการแสดงธรรมก็เห็นมากทีุดยุติแล้วพระมันก็เห็นเลย